ข้อความในวิสุทธิมรรคเลยนะในหน้า6กสิบมาขึ้นอินทรีสังวรศีลเพราะว่าถ้าหากว่าผู้ใดที่ไม่มีอินทรีสังวรในขณะมองเห็นได้ยินเสียงเป็นต้นเนี่ยนะขณะนั้นคนนั้นเรียกว่าคนประมาทอย่างแท้จริงนะตามตพุทธพจน์ในสูตรในประมาทาวิหารีสูตรเนี่ยชื่อว่าผู้ประมาทอย่างแท้จริงทีนี้เรามาศึกษาอินทรีสังวรศีลในขณะเห็นได้ยินรู้กลิ่นเป็นต้น จะได้ไม่เป็นผู้ประมาทในข้อ15กล่าวว่าส่วนอนินทรีสังวรศีลที่ทรงแสดงไว้โดยนัยว่าภิกษุนั้นเห็นรูปด้วยจักษุแล้วดังนี้เป็นต้นในลำดับแห่งปาติโมคขสังวรศีนั้นนี้อันใดเหนน็นท่านแสดงถึงอินทรีสังวรเนี่ยนะต่อจาก ปาติโมขสังวรศีน์ถามว่าทําไมจึงแสดงอินทรีย์สังวรศีนต่อจากปาติโมขสังวรศีนนะ์ในจตุ ป, ปริสุทธิสีนมีสีนะหนปาติโมขสังวรสออินรีย์สังวรสาปัจจะยสานิสิตสีสี่อาชีวะปาริสุทธิสีน์ทาไมจึงแสดงอินทรีย์ต่อจากศีลหรือปาติโม เพราะว่าอินทรีสังวรศีลเนี่ยนะเป็นองค์แห่งปาติโมคัสังวรศีเป็นสัมภาระแห่งปาติโมคขสังวรศีเมื่อมีอินทรีย์สังวรศีนั่นแหละจึงพึงปรารถนาปาติโมคขสังวรศีถ้าหากว่ามีอินทรีย์สังวรศีแล้วปาติโมคขสังวรศีลจึงจักมีได้เช่นเราทั้งหลายบอกว่ามีศีลห้าใช่ไหมไม่ได้ไปผิดอะไรเลยแต่ถ้าไม่มีอินทรีย์สังวรศีเนี่ยนะศีลห้าในขณะนั้นไม่เหลือ เพราะว่าศีลได้แก่เจตนาเป็นต้นนั่นเองถ้าเจตนาเหล่านั้นนั้นไม่เกิดศีลนั้นนั้นก็ไม่เกิดนะถ้าเจตนาศีลไม่เกิดศีลไม่มีถ้าเจตสิกศีลไม่เกิดขณะนั้นไม่มีศีลถ้าสังวรศีลไม่เกิดไม่มีในขณะนั้นสังวรศีลก็ไม่มีศีลก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเจตนาเป็นต้นเนี่ยนะเกิดขึ้นศีลจึงเกิดขึ้นเมื่อปาติโมคขังวรศีลเหล่านั้นเนี่ยนะจะ มีอยู่ได้จะดำรงอยู่ได้ก็อาศัยอินทรีสังวรศีลเพราะฉะนั้นท่านก็เลยแสดงอินทรีสังวรศีลเนี่ยต่อจากปาติโมคสังวรศีลคาว่าภิกษุนั้นก็คือได้แก่ภิกษุผู้ตั้งอยู่ในปาติโมคสังวรศีลรูปนั้นแหละเนี่ยนะคว่าเห็นรูปด้วยจักษุแล้วคือ เห็นรูปด้วยจักรุวิญญาณที่สามารถในการเห็นรูปซึ่งได้ชื่อว่าจักรุด้วยอานาจแห่งเหตุเนี่ยนะกล่าวถึงเหตุคือจักขู่ะาาทะเป็นตัวสาคัญที่จะทำให้จักรุูวิญญาณนั้นเกิดขึ้นรับรู้อารมณ์เพราะว่าจักขุู่นี้ในฐานะเป็นทวารจักขู่นี้ในฐานะเป็นวัตถุและเป็นทวารเพื่อที่จะ รับรู้รูปแต่ว่าจักขูไม่ใช่เป็นตัวรู้รูปจักขูวิญญาณเป็นตัวที่รับรู้รูปเนี่ยนะส่วนท่านโบราณอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าจักสุจักสุย่อมเห็นรูปไม่ได้เพราะไม่ใช่จิตตานี่เห็นรูปไม่ได้นะเพราะไม่ไม่ใช่จิตแม้จิตก็เห็นไม่ได้เพราะไม่ใช่จักสุทั้งฝ่ายก็ต่างไม่มีไม่มีการเห็นนะ แต่เมื่อมีการกระทบการแห่งทวารกับอารมณ์บุคคลจึงเห็นด้วยจิตอันมีจักรคูปสาทะเป็นที่ตั้งอาศัยเอางี้ถ้าบอกว่าเห็นด้วยจิตเฉยๆเนี่ยนะเอาจิตทุกดวงเกิดขึ้นก็เห็นหมดสิไม่ต้องอาศัยตาถ้าเห็นด้วยตาอย่างเดียวเอาคนหลับก็เห็นตลอดใช่ไหมคนนอนหลับเนี่ยก็มีตาอยู่แต่ก็น่าจะเห็นตลอดแต่ไม่เห็นตลอดถ้าเห็นด้วยจิตเนี่ยนะ หลับตาก็าเห็นได้ถึงงั้นก็ใช้จิตไปมองซะแต่ว่าจิตจะเห็นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยตากับสีจากขูวิญญาณจึงจึงเกิดถังนั้นเพราะว่าไอ้จากขูวิญญาณที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะจะต้องอาศัยจากขู่ภาษาธาเป็นวัตถุปุเรชาตะนิสยาปจจัยเป็นต้นเนี่ยนะให้ให้จากขูวิญญาณเกิด แล้วมีสีเป็นอารัมมะปัจัยอารัมมะปุเรชาตดทิอารัมมะปุเรชาตะอวิคตะแล้วยังต้องมีแสงสว่างนะแสงสว่างที่ส่องมาเป็นปักกตูปนิสยะปัจจัยแล้วยังมีจิตดวงก่อนเป็นที่เรียกว่ามณสิการมณสิการหรือปัญจทวาราวัชนะอ น, นั้นเป็นอนันตระปัจจัยอนันตูปนิสยะปัจจัยนัตถิปัจจัยวิคตปัจจัยเนี่ย ถ้าหากว่าทําไมจึงเห็นแตกต่างกันล่ะเพราะกรรมในอดีตมาแตกต่างกันด้วยอํานาจของนา น, นขาขัคณิกกรรมปัจจัยเพราะฉะนั้นความประชุมพร้อมแห่งปัจจัยนั่นแหละจากคูวิย ญ, ญาณจึงเกิดขึ้นรับรู้สีเนี่ยนะถ้าไม่มีองค์ประกอบไม่มีปัจจัยเป็นต้นการเห็นจะไม่มีถ้าตาอย่างเดียวเห็นได้ก็สบายแล้วล่ะถ้าจิตอย่างเดียวเห็นได้คนตาบอดก็มีจิตใช่ไหม ก็น่าจะเห็นแต่ไม่เห็นแต่การเห็นได้ก็อาศัยปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละประชุมพร้อมจึงเกิดการเห็นได้ก็คําที่พูดเนี่ยนะคำพูดที่พูดเช่นนี้ย่อมเป็นคําพูดชื่อว่าสสัมภาระถาเหมือนอย่างในคําว่ายิงด้วยธนูเนี่ยนะจริงๆอะ่ะธนูมีมีใครเอาด้ามธนูไปยิงไหมแต่ก็หมายถึงยิงด้วยลูกลูกดอกลูกธนูนั่นเอง เพราะเหตุนั้นในคำว่าเห็นรูปด้วยจักสุนี้จึงมีความหมายว่าเห็นรูปด้วยจกักุวิญญาณ น, นี้นั่นเองหมายถึงจิตเห็นเนี่ยนะจิตนี่เป็นตัวเห็นจิตที่ทําทัศนกิจแต่ถ้าไม่มีจกักรวัตถุไม่มีูัปรสาทาะการเห็นก็มีไม่ได้เนี่ยนะันตานี้ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเห็นเขาเป็นทวารด้วยเป็นวัตถุด้วยเป็นอินทรีย์ด้วยเนี่ยนะเป็นทั้งทวารเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งอินทรีย์ในการเห็นเนี่ยนะในการเกิดขึ้นของวิถีจิตที่เรียกว่าจักขุทวารวิถีทั้งหมดเลยเนี่ยนะเราตรงนี้ถ้าเราไม่ตึกนะครับาเราไม่เรียนเนี่ยเราก็นึกว่าเราจะเพ่งถึงเรื่องอารมณ์อย่างเดียวว่าถ้าเราเห็นอะไรเนี่ยนะ เราจะให้ความสำคัญของอารมณ์อย่างเดียวแต่หารู้ไหมว่าโอ้โหยางอื่นตั้งเยอะแยะถ้า อ, อย่างอื่นตังเยอะแยะไม่มีทักอย่างหนึ่งนะการเห็นก็เกิดไม่ได้ยิ่งเป็นความอัศจรรย์ข อ, ของของความจริงที่มันซ่อนเลนอยู่นะมันป้อ<า>งเราไว้สิ่งเหล่านี้เป็นสัจจะทั้งหมดเลยนะเป็นสัจจะไหมเป็นสัจจะประเภททุกขสัตย์ทำปริญญาอย่างเดียวนะผู้ใดไม่รู้สิ่งเหล่านี้เป็นโมหะ นั่นคือลักษณะของโมหะก็คือไม่รอบรู้สภาพธรรมทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองเพราะฉะนั้นภารกิจที่จะต้องศึกษาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจเพราะว่าเป็นเบื้องต้นในการรักษาปาติโมกขสังวรขณะศึกษาปาติโมกมาเป็นอย่างดีแล้วนะอย่างเช่นพระพิสูจน์เนี่ยใช่ไหมเรียนพระวินัยมาเป็นอย่างดีแล้วว่าตั้งแต่ปาราชิกสังคาธิเศปเป็นต้นเนี่ยมีความรู้มีความแตกฉานเป็นอย่างดีแต่ถ้าหากว่า อินทรีย์สังวรศีลเนี่ยไม่มีไม่ถึงพร้อมปาติโม scene, กขสังวรศีเลนะเหล่านั้นจักไม่อยู่เลยนะปาติโมกเหล่านั้นจักไม่อยู่ย่อมเป็นอันไม่ได้คุ้มครองแต่ถ้าหากว่าภิกษุมีอินทรีย์สังวรศีลเนี่ยนะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้แล้วสังวรสำรวมระวังทําให้ถึงพร้อมได้ปาติโมกขสังวรศีลก็เป็นอันคุ้มครองเป็นอันรักษาดีแล้วทีเดียว เหมือนข้าวกล้าที่เขาปิดกั้นไว้แล้วด้วยดีด้วยรื้วาหนามเนี่ยนะมีความสำคัญมากนะเพราะฉะไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยทําความเข้าใจให้มากมากให้เพียงพอไม่น่าเชื่อนะเออเรื่องศีลไปไ ป, ไปมาเนี่ยนะก็จะต้องใช้ความรู้อภิธรรมอีกนั่นแหละมาอธิบายเรื่องศีล น, นะต่อไปว่าถ้าเราสามารถแยกแยะได้แล้วนะว่าในกระบวนการเห็นเนี่ยมีอะไรบ้างนะตากับสี จากคูวิญญาณจึงเกิดขึ้นทําการเห็นแล้วแล้วก็ต่อไปว่าคําว่าย่อมเป็นผู้ไม่ถือเอาซึ่งนิมิตนะไม่ถือเอานิมิตหมายความว่าไม่ถือเอาอิทธินิมิตสันฐานเป็นต้นที่เป็นเหตุให้สําคัญว่าเป็นหญิงเห็นไหมยกตัวอย่างาเห็นแล้วก็เพ่งไปที่สวดทรงสันฐานมุ่งไปที่รูปร่างหน้าตา ผิวพันธ์เนี่ยนะแพ่งไปที่แต่ละส่วนแต่ละส่วนค่ดูไปเรื่อยลักษณะนั่นแหละเรียกว่าถือเอาอิทธินิมิตถ้าไม่ถือเอาอิทธินิมิตก็คือเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปต่อไปถ้าปุริสานิมิตเนี่ยนะก็มองละรูปร่างสันฐานหน้าตาผิวพันธ์ตั้งแต่เส้นผมคิ้วปากจมูกเนี่ยนะแขนขาอาวัยวะร่างกายทั้งหลายแหลนั่นแหละ นี้เขาเรียกว่าปุริสานิมิตเนีย่ยนะมีสันฐานเป็นต้นที่เป็นเหตุให้สําคัญว่าเป็นชายหรือนิมิตอันเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งกิเลตมีสุภานิมิตเป็นต้นเนีย่ยนะสุภานิมิตก็คือนิมิตที่สําคัญว่างามก็บอกว่าไม่เห็นในไม่ถือแบบนี้คือเมื่อมองเห็นเนี่ยนะที่มีอินทรีสังวรก็คือจิตไม่เป็นไปกับสําคัญว่าเป็น ชายเนี่ยนะที่ว่าเป็นปุริสานิมิตไม่เป็นไปว่าเป็นอิทธินิมิตแต่ก็ไม่ใช่ถืออารมณ์นั้นโดยโสภานิมิตไม่ถืออารมณ์นั้นโดยปฏิฆ า, านิมิตไม่ถืออารมณ์นั้นโดยอุเบกขานิมิตว่างั้นใอะให้หยุดอยู่ในสิ่งที่ศักว่าได้เห็นแล้วเท่านั้นนะเหมือนมารุกระยสูตรหรือเหมือนกับภาหยะสูตรเลย ต่อไปถ้าปุริสานิมิตเนี่ยนะก็มองลนะรูปร่างสันฐานหน้าตาผิวพรรณตั้งแต่เส้นผมคิ้วปากจมูกเนี่ยนะแขนขาอวัยวะร่างกายทั้งหลายแล่นั่นแหละนี่เขาเรียกว่าปุริสานิมิตเนี่ยนะมีสันฐานเป็นต้นที่เป็นเหตุให้สําคัญว่าเป็นชายหรือนิมิตอันเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งกิเลสมีสุภานิมิตเป็นต้นเนี่ยนะสุภาณิมิตก็คือนิมิตที่สําคัญว่า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 ให้หยุดอยู่ในสิ่งที่สักว่าได้เห็นแล้วเท่านั้น น, นะเหมือนมาลุกะยะสูตรหรือเหมือนกับพาหิยะสูตรเลย น, นะเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจว่าหยุดอยู่ในสักที่ว่าเห็นแล้วเนี่ยนะแบบมีอินทรีย์สังวรคืออย่างไรก็ศึกษาพาหิยะสูตรกับมาลุกะยะสูตรให้เข้าใจนั่นแหละ ที่น่าสนใจมากก็คือว่าการถือสุภานิมิตเป็นต้นถ้าหากว่าถืออารมณ์โดยสุภานิมิตเป็นต้นนั้นจิตในขณะนั้นก็ให้รู้เธอว่าเป็นไปกับโลภะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ในอธิการนี้อภิชาอภิชาก็คือถือโดยสุภานิมิตเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยมาแล้ว แต่ว่าอภิชาและโทมนัสเท่านั้นมาโดยพระบาลีก็จริงถึงอย่างนั้นก็ต้องปรารถนาการรวมอุบเบกขานิมิตไว้ด้วยเเพราะแ ม, ม้มโมหะที่เกิดขึ้นด้วยการเพ่งโดยไม่สม่ำเสมอก็เป็นความไม่สังวรได้จริงอย่างนั้นท่านอาจารย์จะกล่าวว่าความหลงลืมสติก็ดีความไม่รู้ก็ดีอันนี้เเพราะฉะนั้นในขณะที่หลงลืมสติหรือไม่รู้ ขณะนั้นก็เป็นไปกับโมหะนะเพราะว่าการเห็นเนี่ยนะในขณะที่เห็นเป็นต้นแล้วต่อด้วยมโนทวารวิถีต้องเป็นไปกับสังวรห้คือศีลสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิรยิะยะสังวรถ้าสติสังวรและญาณสังวรไม่เกิดขณะนั้นก็เป็นไปกับโมหะนะถ้าหากว่าไม่ได้ถืออารมณ์นั้นโดยสุภาไม่ได้ถืออารมณ์นั้นโดยปฏิฆะ จริงอย่างนั้นท่านอาจารย์จะ ก, กล่าวว่าความหลงลืมสติเป็นต้นเนี่ยอันหึงในคําว่าอุเบขานิมิตนี้ได้แก่อารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งอัญญานุเบขาการวางเฉยแบบไม่รู้เฉยโง่นะเฉยแล้วแต่ว่าก็เฉยแต่ไม่รู้ความจริงของอารมณ์นั้นก็ไออัญญานุเบขาหรือว่าสัญญานุเบขานั้นเนี่ยนะ ทึ<ภ>่งทราบเพราะเพ่งอารมณ์นั้นอย่างไม่สม่ำเสมอคือถ้าหากว่าอุเบกขาของพระอรหันต์เรียกว่าชลังคู่เบกขาเนี่ยนะจะเพ่งอารมณ์นั้นอย่างเข้าใจอารมณ์นั้นอย่างโปร่งนะท่านก็อุเบกขาเหมือนกันแต่อ like well. ุเบกขาของคนทั่วไปเนี่ยนะเป็นอุเบกขาที่เป็นไปกับโมหะถามว่าทำไมยังเป็นอย่างนั้นเพราะเพ่งอย่างไม่สม่ำเสมอก็ดูแต่ว่าดูผ่านๆแบบไม่รู้เรื่องของอารมณ์นั้นอย่างจริงๆนะรู้อารมณ์นั้นไหม ไม่ตลอดสายไม่สามารถยั่งอารมณ์นั้นลงสัจจะอะไรได้ท่านอาจารย์กล่าวถึงเหตุของราคะและโทสะและโมหะโดยสภาพอย่างนี้ว่ามีสุภนิมิตเป็นต้นเพราะว่าถ้าอารมณ์นั้นเนี่ยถ้าใสา่ใจโดยความงามโลภหนึ่งใน8อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้ถ้าใสา่ใจโดยความไม่งามหรือว่าน้าติหน้าชังหน้าตําหนิ อย่างใดอย่างหนึ่งโทสะสองดวงอย่างใดอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นถ้าไม่พิจารณาความจริงของอารมณ์นั้นว่าอารมณ์นั้นเนี่ยด้วยไม่พิจารณาด้วยปริญญาสามเป็นต้นเลยเนี่ยนะโมหะก็เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นถ้าโมหะเกิดขึ้นแบบนี้ไม่ใช่ศีลสักอย่างเลยเนี่ยนะถ้าหากว่าถือโดยสุภานิมิตปฏิฆานิมิตอุเบคานิมิตหรือว่าโดย อิทีนิมิตปุริสนิมิตจิตในขณะนั้นนนั้ไม่ใช่กุศลเนี่ยนะบรรพนที่จะเจริญกุศลศีลเป็นต้นเนี่ยนะต้องแยกแยะอารมณ์ออกว่าคิดอย่างไรเนี่ยนะในสิ่งเดียวเนี่ยคิดอย่างไรใจเป็นกุศลคิดอย่างไรใจเป็นอกุศลต่อไปคําว่าเป็นผู้ไม่ถือเอาซึ่งอนุพยัญชนะคือไม่ถือเอาเนี่ยนะ อันต่างด้วยมือเทา้าศีษะการหัวเราะการพูดการช่างพูดการเหลี้ยวดูเป็นต้นซึ่งได้เชื่อว่าอนุพยัญชนะเนี่ยนะเพราะอนุพยัญชนะคือเพราะเป็นเครื่องกระทำความปรากฏชัดแห่งกิเลส ท, ทั้งหลายเนี่ยนะท่านอธิบายว่า แต่เพราะอวัยวะเหล่านั้นเป็นอาการที่ภูตรูปและอุปาทายรูปซึ่งอาศัยกันอยู่โดยราการนั้นๆอาศัยกันอยู่ก็ละอาการนั้นเสียนะหามีอาการไรๆชื่อว่านะชื่อว่ามือเป็นต้นโดยประมัดไมที่บอกว่าไม่ถือเอาอาการโดยมือโดยเท้าใช่ไหให้ไปถือเอาสิ่งที่เป็นความจริงปรากฏชัดในสิ่งเหล่านั้น และอย่างหนึ่งเ็าบอกว่าเพราะหากว่าถือโดยอนุพยัญชนะเนี่ยนะเมื่อบุคคลกำหนดโดยความงามเป็นต้นซึ่งอวัยวะมีมือเป็นต้นแห่งวิสภาควัตถุเนี่ยนะวิสภาควัตถุก็คือวัตถุที่ไม่เข้ากัน่ะไม่มีส่วนเสมอกันเช่นชายเพ่งหญิงหญิงเพ่งชายเป็นต้นเนี่ยนะกิเลสที่เกิดขึ้นในอวัยวะเหล่านั้นแล้วเล่าเล่าก็จะชัดขึ้นชัดขึ้น เพราะฉะนั้นอวัยวะเหล่านั้นจึงชื่อว่าอนุพยัญชนะแห่งกิเลสเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเห็นก็ต้องไม่ถือเอาโดยอาการต่างๆไปสําคัญว่าเป็นมือเป็นเท้าเป็นศีรษะการหัวเราะการเหลียวเป็นต้นเพราะถ้าหากว่าเพ่งไปบ่อยๆดูไปบ่อยๆกิเลสมันจะชัดขึ้นชัดขึ้ น, ช, นชัดขึ้นนะแรกๆ ก, กิเลสไม่ค่อยชัดนะแต่ยิ่งเพ่งไปยิ่งดูไปกิเลสก็ชัดขึ้นอย่างนึกถึงพระรูปหนึ่งเลย เจรินาการสามสิบสองก็ดูดูนิ้วมือที่บ้านเนี่ยดูไปดูมาเอ้ผมไม่เห็นมันเป็นติกลเลยเขาว่างั้นยิ่งดูยิ่งงามเขาว่างั้นเออว่าไปนั้นนี่ย น, นะแสดงว่ายิ่งดูยิ่งวิ ป, ป, ร, วว ป, ป ร, ริตคลาดเคลื่อนไปเรื่อยอ่าถ้าขณะนั้นแสดงว่าไม่มีอินทรีย์สังวรเลยถามว่าดูอย่างไรอ่ะก็บอกว่าสิ่งใดมีจริงในสรีระนั้นย่อมถือเอาสิ่งนั้นนั่นแหละ ถือเอาสิ่งที่มันเป็นความจริงของอารมณ์นั้นเลยก็บอกว่าคืออะไรคือภูตรูปและอุปาทายรูปเห็ใส่ใจโดยความเป็นภูตรูปและอุปาทายรูปหรือโดยอาการ32เป็นต้นเพราะนั้นคนที่จะถือเอาความจริงเหล่านี้ได้คนนั้นจะต้องตั้งสติเป็นอย่างดีก็บอกว่ายกตัวอย่างนะว่าคนที่ดูแล้วมีสติเนี่ยนะคือ อย่างพระมหาติสะเทระผู้อยู่ที่เจติยบันพชนั้นเขว่าไงมีเรื่องว่าหญิงสะั้ยแห่งตระกูลคนใดคนหนึ่งทะเลาะกับสามีแล้วก็แต่งตัวอย่างงามประดับประดาด้วยเครื่องประดับประดาเสียอย่างดี ด, ดีเลยนะราวกับว่านางเทพกัญญาแสดงว่าแต่งตัวงามมา ก, ก น, นะบอกว่าอุปมาเหมือนนางฟ้าเลยว่า ง, งั้นออกจากกรุงอนุราชปุระในเวลาเช้าตรู ก็เดินไปสู่เรือนญาติในระหว่างทางก็เห็นพระมหาติสะเถระผู้ออกจากเจติยบันพธเดินมายังกรุงอนุราธปุระเพื่อประโยชน์คือเที่ยวบินทบาทมีจิตวิปลาสหัวเราะเสียงดังคำว่าจิตวิปลาสก็คือจิตวิปริตไปด้วยอำนาจของราคะเนี่ยนะโลภะเกิดก็เป็นเหตุให้หัวเราะขึ้นหัวเราะเสียงดังเลยนะทีนี้ฝ่ายพระเระก็แลดู ที่จริงแล้วพระธีรนี้มีอันกระทําไว้ในใจซึ่งกรรมฐานนั่นแหละเดินไปท่านก็เจริญกรรมฐานแล้วก็เดินไปเรื่อยขณะที่เดินไปเนี่ยนะได้ยินเสียงใช่ไหมก็แลดูว่าเอ๊ะ น, นี่อะไรกันตามเสียงหัวเราะเพราะการมณสิการอันเป็นไปในบุรภาคมีเสียงเป็นค่าศึกเจริญกรรมฐานไปเรื่อยๆๆๆๆมีเสียงหัวเราะเข้าเอเดี๋ยวไปดู น, นะเสียงอันนั้นเป็นค่าศึกต่อการเจริญกรรมฐานอันนั้นละ สังเกตดูหลายครั้งเลยนะเวลาไปบินธบาติเนี่ยถ้าเราปารบรบกรรมฐานไปอย่างนี้บ้านนั้นเขาเปิดเพลงดังมากรรมฐานเราหลุดไปตั้งแตเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะไปคิดให้เขาพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นะนะเขาบอเสียงนี่เป็นค่าสึกต่อการแพ่งชานจริงๆเนี่ยนะหรือว่ากําลังสวดมนต์เนี่ยนะกำลังสวดอิติปิโสแปลนี่แหละพระพุทธเจ้าเป็นพระอารหันต์ไกลาจากกิเลสเป็นต้นเนี่ยนะเสียงแว่วมาเอาหยุดของเรากันสั ง, งเขากันนะนั้นเสียงนี่เป็นปฏิปักต่อ ต่อชาญจริงๆต่อการพิจารณาต่อการมาฐานที่เกิดก่อนหน้านั้นมานยะฝ่ายพระเทระเนี่ยนะแหลดูอยู่ว่าเอ๊ะนี่อะไรกันแล้วก็กลับได้อสุภาษสัญญาในกระดูกฟันของหญิงนั้นต้องสัยหัวเราะร่าแล้วก็ยิ้มแป้นเลยเห็นฟันนะพระก็เหลือบไปดูเลยนะพอเห็นกระดูกฟันของหญิงนั้นกลับได้อสุภาษสัญญาบรรลุเป็นพระอรหันต์เดย น, นโ อ, โ อ, โอ้น่าดู อัตถกถาท่านดีกาท่านให้นัยยะว่าพระเทระนั้นกำลังบริหารอัธิกะกรรมฐานอยู่คือปกตินี้พระเทระรูปนี้เจริญอัธิกะกรรมฐานอยู่แล้วเพราะปกตินี่เจริญมาใช่ไหมพอได้ยินเสียงหัวเราะนี่นะลืมกรรมฐานกรรมฐานตกเลยเหมือนกันเ้เพราะเสียงนี่เป็นข้าศึกใช่มพอหญิงคนนี้หัวเราะนะพอเลือบไปดูเห็นฟัน กรรมฐานมาใหม่อีกเจริญกรรมฐานต่อแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์พังนันตรงนี้ในดีกาที่บายดีเดี๋ยวจะอ่านดีกาให้ฟังนิดหนึ่งว่าพระเถระนั้นได้ปฏิภาคนิมิตและอุปจาระฌานอันดียิ่งปกติของท่านนี่นะ ไปที่ไหนเนี่ยกระดูกติดตัวตลอดเลยเนันะในมโนทวารเนี่ยจะมีกระดูกไปตลอดเอนเรียกว่าได้ระดับอุปจาระสมาธิเนี่ยนะเพราะบุรพภาคภาวนาท่านได้เจริญดีแล้วเนี่ยนะคือกรรมฐานแนวอาการสาสบสองเนี่ยท่านมีการท่องมีการสาธยายอย่างปฏิบัติมาอย่างดีแล้วตามหลักของกายคตาสติ ด้วยการเห็นกระดูกฟันของหญิงนั้นที่หัวเราะอยู่นั่นเองกำลังยืนอยู่ตามปกติเที่ยวก็ได้บรรลุปฐมฌานในที่นั้นเห็นฟันแล้วต่อฌานเลยนะเพราะได้อุปจาระเป็นอัธยาศัยอยู่แล้วเพ่งที่ฟันเลยได้เข้าปฐมฌานที่หนึ่งเลยทำฌานนั้นให้เป็นบาสนะออกจากฌานก็เจริญวิปัสสนาบรรลุอาสวัไถ่แล้วตามลาดับมรรคเป็นขั้นๆ้นไป นะคืออาศัยการพิจารณาก็พิจารณาฟันเนี่ยนะฟันนั้นเป็นรูปมีกี่รูปในฟั น, น, นฟันทั้งหมดนั่นแหละรวมๆแล้วฟันมีกี่รูปฟันนี่มีสี่สิบสี่รูปนะในในฟันเยนะเอามาซี่นึ่งอะแต่ว่าฟันที่อยู่ในข้างในนะแต่ถ้าฟันออกนอกกายแล้วก็จะมีแค่แปดรูป วินิโพครูป8เท่านั้นเองแต่ถ้าฟันที่อยู่ในปากมี44รูปอัน น, นชุดแรกเลยคือกายะทัศกะกราบเนี่ยนะในฟันนั้นก็มีกายภาษาทารูปอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นตอนไปถอนฟันเลยเจ็บเลยนั่นแหละเพราะมีกายภาษาทะในนั้นอีกมีอะไรอีกภาวะทัศกะเนี่ยนะมีอีกสิรูปอาหารอาหารอาวินิโพครูป8เนี่ยนะรูปที่เกิดจากอาหาร8 แล้วก็รูปที่เกิดจากจิตอีก8รูปที่เกิดจากอุตุอีก8เนี่ยนะนะเพราะฉะนั้น10หนึ 1, ่ง10ที่หนึ่งบที่สองสามครั้งเท่ากับ44รูปเนี่ยนะกล่าวถึงสมุดฐานเบ็ดเสร็จแล้วใช่ไหมในฟันนั้นกล่าวถึงสมุดฐานแล้วในสองอย่างเนะ น, นี่ยนะฟันเนี่ยเกิดจากกรรมคือกายทัศนกะกับภาวะทัศน์กะนะ เรื่องกรรมนี้อีกเรื่องหนึ่งเลยฮะนจาจักใหญ่ๆเลยนะอนจาจักของกรรมมางกันอยแล้วที่สองก็คืออาหารชรูปใช่ไหมอาหารชรูปที่บริโภคเข้าไปเนี่ยมีผลต่อฟันใช่ไหมวันก่อนหมอยังเอ า, เอายาที่เกี่ยวข้องกับฟันมาให้ฉันใช่ไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าอาหารที่รับประทานเข้าไปนั้นมีความสำคัญต่อฟันเป็นอย่างมากรองจากกรรมเ อ, เ, เ, เอาต่อไปนะว่า วันที่มีจิตเป็นสมุทฐานเนี่ยบางทีก็เกี่ยวข้องกับจิตด้วยนะถามว่าเกี่ยวข้องกับจิตยังไงเนี่ยนะเพราะจิตบางช่วงเนี่ยนะถ้าหากว่าจิตตชรูปมันทําเวลาเราเคี้ยวแรงๆอ่ะเคี้ยวแรงๆกัดแรงๆขบแรงๆอันนี้ขณะนั้นเนี่ยจิตตชื้อโรคทำงานเต็มที่นะอะไรขณะที่เราเคี้ยวทั้งหลายแหละเนียเพราะฉะนั้นจิตตชื้อรเนี่ยเกี่ยวข้องกับฝันด้วยเนี่ยนะต่อไปอุตุชรูปเนี่ยนะอุตุชื้อโรซึ่ง เป็นอุตูที่เป็นผลมาจากกรรมอย่างหนึ่งการเรียกว่ากรรมะปัจจะยะอุตูชรูปอุตูชรูปที่มาจากจิตอย่างหนึ่งเรียกว่าจิตตปัจจะยอุตูชรูปที่อยู่ในฟันนั่นแหละแล้วก็อาหารปัจจะยอุตูชรูปและอุตูปัจจะยอุตูชรูปเพราะฉะนั้นพอถอนถอนออกจากปากไปแล้วเหลืออวินิโผลครูปแปดดังั้นอวินิโผลครูป8ปดนี้คืออุตูชรูป ทำไมฟันคนนี้ไม่เหมือนกับคนอื่นเลยเนื่องจากกรรมมาก่อนๆนหน้านั้นเป็นปัจจัยทำให้แตกต่างกันอย่างนะเพราะฉะนั้นกรรมนี้ก็มีความสำคัญมากต่อโครงสร้างของฟันนี่นะแล้วก็จิตด้วยเช่นบางคนไปทำฟันเป็นต้นมานะมีจิตเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องในเรื่องของฟันเหล่านั้นนั้นด้วยเพราะฉะนั้นฟันเหล่านั้นนั้นเนี่ยนะเป็นขันไหมเป็น รูประคันเป็นต้นเนี่ยนะเพราะนั้นการเจริญนิปั ส, สนาอย่างไรเสียก็ไม่พ้นจากขันาธาตุอายตนะเนี่ยนะเพราะนัในการพิจารณาฟันเนี่ยนะที่บอกว่าพระเถระอาศัยฌานเหล่านั้นนนั้เป็นบาสนี่นะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเจริญกรรมฐานเหล่านี้เนี่ยนะเจริญกรรมฐานประเภทอาการ32เนี่ยเขาสามารถสงเคราะห์ฟันเหล่านั้นเนี่ยนะได้ทุกในยะเลยนะทุกแง่ทุกมุมเลยเนี่ยนะ โดยรูปโดยภูตรูปและอุปาทายรูปอ่ะมีมีภูตรูปเท่าไรา่มีอุปาทายรูปเท่าไหร่แล้วก็เกิดจากสมุทฐานใดๆบ้างสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นขันเพราะต่างโดยความเป็นอดีตเป็นต้นเนี่ยนะทั้งก็จะเจริญสมถาวิปัสสนาคละเคล้ากันไปเพราะฉะนั้นถ้าถ้าธรรมดาโดยทั่วไปแลยนะถ้าได้ฌานนะก็จะมีความสุขอยู่กับฌานเท่านั้นแหละจะไม่พิจารณาเรื่องของฟันซึ่งเป็นอารมณ์ หรือว่าพิจารณาองค์ฌานเป็นต้นเลยเพราะฉะพระเถรารูปนี้ท่านศึกษามาเป็นอย่างดีอยู่แล้วมีความรู้ความเข้าใจในการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้อย่างตลอดสายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยพิจารณาขณะที่เห็นเขาหัวเราะเนี่ยนะบรรลุปเป็นพระอรหันต์เลยเหมือนกันแสดงว่าชํานาญมากเพราะเหตุนั้นท่านท้าโบราณอาจารย์จึงได้กล่าวไว้ว่าพระเทระนั้นยืนอยู่ตรงนั้นนั่นเอง เห็นกระดูกฟันของหญิงนั้นแล้วหัวระลึกถึงสัญญาเก่าก่อนก็คือสัญญาที่เคยเจริญไว้ก่อนได้บรรลุแล้วซึ่งเป็นพระอารหันต์ดังนี้เขาบอกว่าได้ยินว่าสรีระทั้งสิ้นของหญิงนั้นปรากฏโดยความเป็นโครงกระดูกด้วยการเห็นกระดูกฟันนั้นเทียว เห็นฟันเนี่ยนะอย่างถึงกระดูกทั้งร่างกายหมดเลยเพราะพระเถระมีความชำนาญในการภาวนาเนี่ยนะทีนี้ตอนหลังกล่าวว่าฝ่ายสามีของหญิงนั้นแลเมื่อเดินติดตามไปพบพระเถระเข้าจึงถามว่าท่านผู้เจริญท่านเห็นหญิงคนนั้นบ้างหรือไม่พระเถระตอบว่าเราไม่ทราบว่าหญิงหรือชายที่ไปแล้วจากที่นี้แต่ว่า ร่างกระดูกนั่นกําลังเดินไปในทางใหญ่เพราะว่ามองฟันแล้วก็ย่างถึงกระดูกหมดเลยนะมันเหมือนกับเห็นภาพเอ็กซเรย์ตลอดเลยนะไม่ได้สนใจว่าหญิงหรือชายก็ไม่รู้ <laughs> แล้วก็มัวแต่พิจารณาแล้วเป็นผ้าอารหันนี่ยมัวแต่ตรึกเรื่องอรหรันเรื่องมักเรื่องผลเรื่องนิพพานไม่ได้พิจารณาเลยว่าที่ผ่านไปนี่เป็นใครว่า ง, งั้นสามีมาถามนะเอเห็นผู้หญิงเดินไปไหมบอกไม่รู้เห็นว่าหญิงหรือชายมีแต่กระดูกะเดินไปทงางโน้นว่างั้นนะ นี่พูดไปนี่อย่าว่าโอ้โหนี่พระนี่ธรรมดานะถ้าเดี๋ยวเรียนสติปัฏฐานจะรู้ว่านกแขกเต้าเนี่ยนะนกแขกเต้าเนี่ยก็บอกว่ากระดูกคาบกระดูกไปเหมือนกันกระดูกจัด ก, กระจายเรี่องอะไรกับก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแต่กระดูกขนาดนกอย่างเดียวยังคิดแต่เรื่องกระดู ก, ก <c oughs> พอองคตรัตอย่างนี้นะลองฟังดูนะว่าฟังสูตรนี้แล้วเอาไปคิดเอาเองบอกว่าดูก่อนพี่สูตรทั้งหลายเราจักแสดงสังวรและอาสังวรแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังดูก่อนพิกษุทั้งหลายก็อสังวเนี่ยมีอย่างไรอันนี้เอาอเล่นดนตรีเนี่ยทาวานไหนทาวานหูนะอ่ะอะทาทวานหูแล้วกันก็บอกว่าเสียงทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยโสตะอันน่าปรารถนาหน้าปราถนานะดนตรีไทยเนี่ยน่าใคร่น่าพอใจน่ารักอาศัยความใคร่ชวนให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยินดีสารเสริญพัวพันเสียงนั้น ข้อนั้นพิกษุพึงทราบว่าเราเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นความเสื่อมนะเพราะในขณะที่เราเพลิดเพลินด้วยอำนาจโลภะเนี่ยเสื่อมแต่ถ้าหากว่ากล่าวตามปุณณนะสูตรนะพระ อ, องค์ตรัสบอกว่าถ้าความเพลิดเพลินเกิดทุกเกิดนะปุณณนะ